พร้อมกรยิยงเาถ้าพร้อมแล้วคนตั้งใจตั้งใจฟังในแนวทางปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราชาวพุทธบริษัทนักบวชพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดถึงุบาจุบาสิกา ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเกิดความยินดีและให้มีความยินดีอันนั้นคือสุขสมบัติสมบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวและให้เกิดความยินดีในอันดับแรก ก็คือเกิดเป็นมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาและมนุษย์สมบัติให้พากันมีความยินดีพอใจเพราะโลกความเป็นมนุษย์นี่น่ที่มองเห็นตนเห็นตัวนอกจากมนุษย์นี่แล้วก็สัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ตัวใหญ่จน จนถึงตัวเล็กสุดการล้วนแล้วแต่ดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณไม่มีบุญเนิกถึงบุญไม่ได้ดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของเขาจึงไปเกิดเป็นลักษณะนั้นถึงจะรูปร่างใหญ่โตขนาดจนที่พวกเรารู้ว่าจะพวกช้างพวก มาพวกอะไรนั่นอยู่ในฐานะของความเป็นวิบัติอยู่ในฐานะของบุคคลผู้ตั้งใจดีดตั้งติต ด, ดีไม่มีใครจะปรารถนาอยากไปเกิดไปเป็น ฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกท่า น, ท, ông, ท, ท, นทุกคนนี่ลองตั้งใจดูที่ว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าขึ้นชื่อว่าความวิบัติอบายยะพรมทั้งหลายนั่นน่ะเป็นที่เกิดแห่งความทุกข์เป็นที่เกิ ด, แ ห, กกดแห่งความเป็นบาป ถ้าเราตั้งใจได้ดีๆตั้งส ต, ติดได้ดีๆแล้วเราจะเลือกเป็นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรายินดีในสิ่งที่มันเป็นสมบัติจากการกระทําจากการใช้อิริยาามรยาา ท, ที่แสดงออก อันไหนมันเป็นบุญอันไหนมันเป็นกุศลอันไหนมันจะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นทั้งปัจจุบันและเบื้องหนาง้าการล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงออกในลักษณะข้อความเป็นสมบัติท้งนั้นที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์คนเราและมนุษย์สมบัติ สมบัติที่ดีขึ้นไปกว่านี้ก็จะหวนสมบัติจนถึงนิพพานสมบัติสมบัติทั้งสามนี่นะพร <c oughs> ะพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเรียนรู้และให้มีความดีใจมีความพอใจความยินดีกับความดีใจ ลองตั้งใจตั้งถติของพวกเรามาเรียนรู้ตัวเองดูอย่างความยินดียินดีในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ลองศึกษาตรงนี้ดูวาละจิตใจของพวกเราในขณะนี้ ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาฝึกไม่ได้มากระทำไม่ได้มาแต่ใจของพวกเรานั่นส่วนมากมันจะเฉยอยู่เชื่อชาเลื่อยเปื่อยไปตามภาษีภาษากลับมีความสั่งนึกว่ายินดี ให้มาเรียนรู้ว่าเออใจของเรายินดียินดีในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือว่าท่านผู้รู้ท่านสอนตัวอย่างยินดีในฐานะของความเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์ถ้ายินดีในตรงนี้เราจะเห็นคุณค่าคำว่าบุญ ยิงอยู่ในฐานะของความสมบูรณ์ที่มีบุญมากพาไปเกิดตามฐานะถ้าเรานึกขึ้นมาเออเนี่ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเราในโลกอันนี้นะความแตกต่างในรูปสมบัติ ลักษณะรูปร่างทั้งหญิงทั้งชายคนจะมากจะหลายร้อยล้านพันล้านคนก็ตามแต่แต่ละคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้ความแตกต่างความดีที่เกิดจากวิถีจิตที่นึกที่ฝึกว่าความดีมีความละเอียด มีความปานกลางและมีความหยาบในลักษณะของความเป็นสินเป็นธรรมทำได้หยาบหยาบก็ได้อยู่แต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ความเป็นสมบัติไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นเครื่องวัดว่าการฝึกวิถีจิตชำละ สิ่งที่เศร้าหมองออกจากจิตใจของพวกเราด้วยคุณธรรมคือิติธรรมสมาธิธรรมอะไรเป็นเหตุให้มีความเศร้าหมองภาษาธรรมทีว่าเจเนภาษาลาวว่าโมหะความหลง้ลงหลงลืมลืมโนภะความโลภโทสะความโกรธ หมดย็ดปุ่งแต่ง น, นำคานมันหาเป็นความเป็นปกติถูกไม่ได้มันหาในลักษณะที่จิตใจแกมใจผ่องใสจิตใจเยืออเกล็ความดีส่วนนี้มันจะนึกถึงได้อยากถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจฟังตั้ ง, ตงสติฟังแล้วเรามาฝึกความยินดีตัวเนี้ย น, นึกให้ใจของเรายินดี ยินดีในส่วนผลก็เหมือนอย่างที่ว่าให้ฟังลักษณะรูปร่างฐานะชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเผื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยแต่บุญมันน้อยบาปมันมากเหมือนอย่างที่พวกเรารู้ๆเกิดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเกิด ข, ขึ้นมาแล้วอายุสั้นตายแต่เด็กแต่เล็ก ยังไม่ถึงข่าวตายก็หาเรื่องตายยังไม่ถึงข่าวเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือผลวิบากความชั่วพวกเราปฏิเสธไม่ได้อันเนี้ยและคนอื่นที่เขาเป็นก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นผลน่ะผลการกระทาของเขาที่นึกไม่ถึง ว่ามันจะเกิดสิ่งที่เลวร้ายกับตัวเองในชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นมามันนึกไม่ถึงนึกไม่ได้ตรงนี้นี่เองจริงว่ามีการให้มีการมาศึกษามาตั้งใจฟังตั้งสติฟังตั้ ง, งใจดูใจของเราให้ฝึกให้มีความยินดีในสิ่ง ที่มันเป็นประโยชน์เหตุที่เกิดความเป็นบุญถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ที่ไปที่มาของความเป็นสมบัติอย่างที่ว่าเนี่นะ่ะโมหะความหลงด้านจิตใจอวิชชาความไม่รู้เมืดมิดปิดตาไว้ มีแต่กระแสขอความจากจิเลตตันหาเกิดความสำนึกภายในใจิตใจเกิดความยินดีเกิดความพอใจที่นความยินดีความพอใจแทนที่จะมายินดีพอใจในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้เกิดสมบัติอย่างที่ว่าครับเอาความยินดีพอใจวิ่งไปตามกระแสของจิเลตทั้งหลายตันหาทั้งหลายผลมันจึงเกิด ตรงกันข้ามกับสมบัติเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องวิบัติฉะนั้นการที่เว้นจากความชั่วความชั่วที่เกิดจากความนึกความคิดของจิเลสโลกโกวดหลงตัณหานี่นะมันใช้ โลภล่างสังขารร่างกายที่เป็นโลภสมบัติของพวกเราไปทําคนทําความชั่วอย่างที่ท่านว่าฆ่ามนุษย์และสัตว์กันหลายที่มีชีวิตนั่นความละเอียดนอกจากการฆ่าด้วยอารมณ์ของโทสะโมหะ โลภะเป็นสื่อนำแล้วะอารมณ์ส่วนเอื่อที่มันมาจูงจิตจูงใจของพวกเราการรักทรัพย์เหตจารีตประเพณีสามีภรรยาปุตธทิดา นี่ความเลวลายที่มันเกิดจากจิเลตโรคโกรธหลงตัณหาอำนาจจิเนตโรคโกรธหลงตัณหาไม่ให้เกิดความยินดีเกิดความพอใจแล้วมันใช้สมบัติรูปสมบัติของพวกเราเนี่นะมันเอาไปทความชั่ว วาจาคํำพูดของพวกเราเนี่ยกิเลสตัณหาเนะี่ยมันพาไปพูดความชั่วใจมันก็พาไปคิดความชั่วมันเกิดความยินดีเกิดความพอใจตามกระแสของกิเลสตัณหาในลักษณะนั้นนะจึงว่าให้มีการมาฟังเรียนรู้เรื่องใจเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาที่มันมีอยู่ในใจนั่นนะ ใจของเราแท้ๆคาพูดของเราแท้ๆไม่ใช่คําพูดของกิเลสตันหาสักหน่อยไม่ใช่ดวงจิตดวงใจของกิเลสตันหาสักหน่อยรูปร่างนี่ไม่ใช่รูปร่างของกิเลสตันหาสักหน่อยมันเป็นรูปร่างของเราให้เรารักษาให้ยินดีพากันยินดีในการรักษาเรานั่นนหะ ทำไมจะให้มีความยินดีในการรักษาเราเพราะเราอย่างที่ว่ารูปสมบัติวิจีสมบัติมโนสมบัติมันเป็นสมบัติของเราถ้าเราไม่รักษามันจะเกิดความวิบัตินะคนเกิดขึ้นมาโรคไม่สมประกอบเจ็บใจไม่สมประกอบ คำพูดคำจาไม่สมประกอบอันนั้นคือวิบัติโลกวิบัติบัชีวิบัติมโนวิบัติอันนี้คือความเลวลายจากสิ่งที่มันมีในใจคือความโลกความโกรธความหลงตัณหาทั้งหลายปลุกความสำนึกใจของพวกเราให้ยินดีในการฟัง ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเพื่อมีเวลาฟังหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในตาราพวกเราก็หาโอกาสใช้โอกาสที่พวกเรามีนี่แหละยินดีในการเรียนรู้ศึกษาอ่านศึกษาเรียนรู้ เนื้อหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในตำานานนั้นๆจิตจการทุกอย่างที่พวกเรานึกขึ้นมาได้ว่าอันไหนมันจะเกิดประโยชน์จากการดูจากการศึกษาจากการฟังจากการกระทําให้เรามีความยินดี เนื้ความยินดีเนี่ยเป็นการปลุกความสำนึกถ้าเราไม่ปลุกความสำนึกด้านจิตใจของเราให้ยินดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างที่ว่านะั่น่ะมันจะอยู่เฉยๆเฉยๆชาอำนาจลักษณะโมหะ ก, กวาหลงอวิชาความไม่รู้ มันก็คือลักษณะนั้นฉะนั้นการเวลาที่พวกเรามีโอกาสได้มาบรรพชาะสมบทเป็นพระสงฆ์องค์เหนนเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่นะถ้าเรานึกขึ้นมาได้เออเนี่ยท่านสอนให้มีความยินดีในชีวิตความเป็นอยู่การเวลาในขณะนี้ การเวลาในขณะนี้เป็นการเวลาที่พวกเราอยู่ในอยู่ในศีลอยู่ในธรรมให้เกิดความยินดีให้มีความยินดีตามฐานะหน้าที่ของพวกเราขึ้นชื่อว่าจิตจะวัดทุกอย่างการกระทำทุกอย่างที่บรรดาครูอาจารย์ แนะนำสั่งสอนพวกเราะระพจิตปราข้อปฏิบัติท่านนำท่านฝึกท่านแนะท่านสอนอย่างไรอย่างที่พวกเรา <c oughs> ถึงเวลามาไหว้พระรรบัานเจริญพุทธมนต์ถึงเวลามาฟังนั่งสมาธิ ความสำนึกด้านจิตใจของพวกเราน่นะให้มีความยินดีนึกให้มีความยินดีขึ้นมานึกให้มีความพอใจขึ้นมาไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็มาเฉยๆอันนั้นยังยังไม่ชัดยังไม่ถูกต้อง ที่จะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้มากเท่าที่พวกเราต้องการปราสดาความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลได้มากมันเกิดจากความยินดีความยินดีมากกิริยาที่แสดงออกนั่นนั้นมันก็เป็นบุญมากความยินดีน้อยบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นน้อย ฉะนั้นเรามาปลุกความสำเนึกตั้งใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความพอใจฉะนั้นหลักธรรมเรื่ว่าฉันทะธรรมให้มีความยินดีให้มีความพอใจฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารนะหลักธรรมเป็นการปลุกความสำเนึกยกบาละจิตใจของพวกเรา ให้อยในลักษณะของความเปลี่ยนธรรมนี่ทาอะไรนึกอะไรคิดอะไรในหน้าที่ของพวกเราอันนั้นอ่ะจะสำเร็จผลประโยชน์เป็นผลเป็นประโยชน์ตามเจตนาตามความต้องการของพวกเราฉะนั้นวาละจิตใจของพวกเราทำตามการตามเวลาแล้วจะนั่งสมาธิ มีความยินดีมากน้อยขนาดไหนเราจะเดินจงกรมมีความรู้สึกมีความยินดีมากน้อยขนาดไหนถ้าเราทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำด้วยความยินดีนั่นแหะอะไรที่เป็นประโยชน์เราถึงนึกถึงความยินดีถึงความพอใจถึงความเต็มใจความดีมันเป็นผลเกิดขึ้นเต็มใจกับว่าเต็มใจกับฟังตัวเต็มใจ แต่นั้นข้อคิดวิถีจิตที่เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลตามเจตนาของพวกเราคือต้องการอยากจะให้เป็นผลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่ปรากฏขึ้น จากการปฏิบัติการฟังเรียกว่าปริยัติปฏิบัติผลการปฏิบัติทั้งว่าปฏิเวทปฏิเวทเป็นผลจะมงมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันเป็นปัจจัตงรู้ได้เฉพาะตัวเองเพราะใจของตัวเองนึกขึ้นมาใจตัวเองได้รับผล ฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการนึกการฝึกการปฏิบัติด้วยความยินดีด้วยความพอใจนี่นะแต่และท่านแต่และองค์แต่และคนนี่จะรู้ได้เฉพาะตัวเองจะปัจจัต่างรู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นการตั้งใจตั้งตติเดี๋ยนี้เรายินดี ยินดีตั้งใจยินดีตั้งสติยินดีฝึกสมาธินั่งสมาธิขึ้นเชื่อว่าความดีทุกอย่างนั่นะให้พวกเรามีความสันนึกนึกถึงความดียินดีเนี่ยเป็นอันดับแรกให้ยินดี ในการกระทำในเรื่องนั้นๆจิตการนั้นๆจิตกรรมนั้นๆ น, น, นี่ให้เรียนรู้วาละจิตของพวกเราเรามีความสำนึกอย่างนี้ทุกเรื่องทุกโอกาสการเวลาไหมเรี่วสักแตอยู่สิ่งที่วธรรมถึงเวลาแล้วกระทาถึงเวลาแล้วก็มาเฉยๆเฉย ๆ, ๆเรื่อยๆอันนั้นยังไม่ถูกนั่นนหะ ได้อยู่มีอยู่บุญแต่มันมีส่วนน้อยแต่ในทางที่ถูกเรืปรับความสำนึกเวยให้ยินดีเออการเวลานี้เป็นการที่เราจะไปทำความดีกิจกรรมเรื่องนั้นนันนันเรื่องนั่นเรื่องนั้นเรื่องนั้ น, น, น, น, น, น, น, น, นปลุกความสำนึกอย่างนี้เป็นผู้ตั้งใจดีตั้งสติดี มันเป็นคุณธรรมศักดิ์ศรีความดีส่วนนี้จะกลายเป็นคุณธรรมภายในจิตใจของพวกเราอันนี้พานเข้าใจการนึกการฝึกการเรียนรู้หน้าที่ของพวกเราทํากันทุกวันทุกวันอันนี้ต่อไปให้ปลูกความสํานึกยินดีในการฟัง ข้อปฏิบัติที่ท่านเนะในการนั่งสมาธิฝึกสมาธิกันต่อไป